ทชีชักหน่อยก่อนนาชีทุกคนก็ให้พึ่งรู้ตัวว่าเรานั่นะมาอยู่ในวัดนี่ก็เพื่อมาชำระกิเลสออกจากใจของตัวเองไม่ใช่มาเพื่อเอาอันใดเมื่อเป็นเช่นนี้นะการแสดงออกซึ่ง ความบริบูรงามต่างๆหมด น, น, นะมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทางนั้นนะเพราะนั้นให้พากันสนละมันออกไปตอนนี้ไปนะอย่าให้มีเรื่องอย่าอย่าอย่าให้แสดงบทบาทของกิเลสออกมาอืมก็เรามีจุดประสงค์อย่างนั้นนี่มาบวชเป็นชีเป็นพระ อ, อะไรอยู่ในวัดนไะ ไม่ใช่มาบวชเพื่อเอาอย่างอื่นได้ไม่ใช่มาบวชเพื่อหาเงินหาทองหาลาภหายศอะไรเลย <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่มีที่พึ่งแล้วจึงมาบวช <c oughs> หวังว่าจะพึ่งวัดนี้ไปเฉย ก็คงไม่เป็นอย่างนั้นมัน้งก็เมื่อเรามีจุดประสงค์อย่างว่านั้นแล้วก็เอาแล้วนะทุกคนนะต้องเอาชนะกิเลสใน ห, หัวใจของตัวเองให้มันได้ อ, อย่าไปแสดงออกซึ่งสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆทำการทำงานร่วมกันไอการงานภายนอกอันนั้นนะ มันไม่จําเป็นที่จะต้องไปปรึกษาหรืออะไรกันให้มากมายอะไรออต่างคนต่างรู้หน้าที่อยงตัวนใครทําหน้าที่อะไร ก, ก้มหน้าทำลงไปทําใครทํามันถ้าเกิดสงสัยอะไรขึ้นมาก็จึงถามกันเข้าอย่างนั้น <c oughs> ถ้าใครทําอะไรหักว่ามันผิดพลาดไปอย่างนี้นะ บังเอิญไปกระทบกระทั่งผู้อื่นเข้าก็ขอโทษกันอันนันต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> อันผู้ปฏิบัติธรรมนี่นะผู้หวังความบริสุทธิ์แก่ตัวเองก็ให้ปฏิบัติต่อกันอย่างนั้นท่านตนผิดพลาดไปแล้วก็ยังถือว่าตนไม่ผิดไม่ยอมขอโทษผู้อื่น อยอย่างนี้นะมันกิเลสมันไม่แห้งเลยนะอือย่าลืมให้พากันปฏิบัติอย่าไปปกปิดความผิดความพลาดไว้เปิดออกให้มันหมดอม่แล้วมันก็แล้วไปมันก็ไม่ขังอยู่ในใจิตใจเป็นอย่างนั้นมันไม่เสียหน้าเสียตาอะไรเราขอโทษขอโพยกันนี่นะไม่เสียอะไรมีแต่ทางดี นี่จะทําให้กรรมเวนมันหมดไปเรื่องมันนะถ้าผิดกระทบกระทั่งกันแล้วไม่ขอโทษกันกรรมเวนมันก็ไม่หมดมันติดตามไปให้พากันเข้าใจเราไม่ใช่มาเพื่อมาสร้างกรรมสร้างเวนมาบวชอยู่ในวัดวาอารามเนี่ยเรามาชําระกิเลสออกจาก งดใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเองนะจุดมุ่งหมายให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วการช่วยกันทําครัวทําอาหารโมนี่นะมันก็นับว่าเป็นการทําบุญกุศลก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเนี้ยก็ชื่อว่าเราได้ทําทานทุกวันทุกวันมันก็เป็นบุญเป็นกุศลแหลอ <c oughs> ถึงไม่ใช่ของเราก็จริงดอกสิ่งของนั้นนะแต่ว่าเราเป็นกำลังเราเป็นเรี่ยวแรงจัดทำขึ้นอย่างนี้นะมันจะไม่เป็นบุญยังไงเล่าถ้าผู้ใดเจ็บป่วยก็บอกเพื่อนให้ทราบซาำก็หมดเรื่องกันแย้งให้เพื่อนทราบซาำก็พักผ่อนไปตามเรื่องของคนป่วย กันผู้ไม่ป่วยแล้วมีกำลังดียวนี่เอา้าช่วยกันลงไปเราจะได้สร้างบุญกุศลร่วมกันก็ขอให้คิดอย่างนั้นอย่าไปถือนั้นถือนี้อะไรเลยความผิดความพลาดที่ร่วงแล้วมาก็มันแล้วไปเลยไม่ไม่ถือเอามันไม่ย้อนเอามันคืนมาอีกเพราะว่าทุกสิ่งอย่างที่มันร่วงไปแล้วมันก็แล้วไปแล้ว ถ้าใจเราไม่ไปผูกพันกับมันเลยมันก็หมดเรื่องไปมันสำคัญที่ใจเราไปผูกพันกับมันนี่นะนให้พากันปฏิบัติตามที่แนะนำนี่เออจึงสมกับ ว, ว่าเรามาบวชทีบวชขาบวชพระบวเนั่งก็ทั้มเลยหวังว่ามาชำระความชั่วออกจากตัวจริงๆนะคนเราเกิดมาในโลกนี้ การที่จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นเกลเพราะว่าไม่รู้ธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นให้เข้าใจคือไม่รู้จักทุกนี่นะว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นจริงๆิงชีวิตของมนุษย์เรานี่นะผู้ที่จะขอนขาย บำเพ็ญบุญกุศลฝึกฝนอบรมตนไม่หยุดหย่อนก็เพราะมาเห็นทุกข์ภายในสงสารนี่แหละผู้ยังเห็นว่าโลกสงสารอันนี้น่าอยู่น่าเพลิดเพลินน่าสนุกสนานแล้วผู้นั้นก็จะไม่ขวนขวายในการบุญกุศลอไม่แสเวงหาสั่งสมบุญกุศลแล้วทั้งไม่เชื่อว่าบุญกุศลความดีที่ทํานี่ จากนำตนให้พ้นทุกไปได้ไม่เชื่อเลยบางคนนะเพราะไม่เชื่อนั่นแหละจึงไม่ขนขวายไม่ทำเพราะไม่เห็นทุกนั่นแหละจึงไม่ดำริหาทางพ้นจากทุกนี่ให้เพิ่งพากันเข้าใจก็เคยพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆเหมือนกันแหละเรื่องมูนี้นะ ออความทุกข์น่าเบื่อย่นลงแล้วกัมีอยู่สองประการเท่านั้นเองนะทุกกายหนึ่งกับทุกใจหนึ่งนี่อันทุกกายนี่เราก็ได้บำรุงปรนเปื้มันอยู่อย่างนี้นะมันจะไม่เป็นทุกข์ยังไงล่ะเนี่ยพูดถึงร่างกายเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องอยู่ได้ปัจจัยสี่อาหารการบริโภคผ้านุ่งผ้าหม่มที่อยู่ที่อาศัยอยุกยาแก้โรคภยยัยไข้เจ็บต่างๆ ปัจจัยทั้งสีนี่ไม่ใช่ว่านึกคิดแล้วมันจะบินมาหาเลยต้องมีเงินมีทองไปซื้อไปจ่ายเอาต้องมีเงินมีทองสร้างขึ้นมันยึงได้อยู่ได้อาศัยนี่ความทุกข์อันเกิดจากการบริหารรักษาร่างกายอันนี้มันก็พอได้คิดอยู่แล้วแต่มนุษย์เรามันถึงไม่คิดเรื่องมัน มันอาศัยตัณหาเป็นเหยื่อล่อความรักความชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละมันทำให้คนเรานั้นเพิดเพลินไปลืมทุกข์ลืมยากไปช่วงระยะหนึ่งเป็นอย่างนั้นไม่ไม่เป็นเหตุไม่ให้ได้นึกถึงความทุกข์ในความเป็นอยู่ของตัวเองอนอกจากการบำรุงรักษา บริหารร่างกายอันนี้แล้วมันก็ยังไม่ฟังที่จะวิ บ, บัตรแริแปรปรวนแต่จะบำรุงมันยังไงยังไงมันก็ไม่ฟังถึงเวลามันจะซุดโทมลงไปแล้วมันก็ซุดโทมถึงเวลาโรคภัคยไข้เจ็บจะเบียดเบียนแล้วมันก็ไม่ฟังมันก็เบียดเบียนบีบดขั้นอยู่งั้นห น, นี่ไอความทุกข์ที่เกิดจากโรคภัคยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่ก็พอแรงอยู่แล้วนะนี่ แต่ว่าบางคนเน่ะมันไม่มีกรรมมีเวรใ้หัวหลังมาตามสนองอร่างกายกนีนก่รู้สึกว่าแข็งแรงเป็นปกติไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้แหละเป็นเหตุให้คนเอาลืมตัวไม่รู้จักทุกข์จึงได้เพลิดเพลินมัวเมาไม่ขวนขวายในการบุญการกุศลไม่แสวงหาทางพ้นทุกข์ ในสงสารอันนี้ไม่ลำพึงถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าทางคนทุกมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครที่จะมารู้แจ้งในทางคนทุกโดยตรงได้คนนอกนั้นรู้จักทางคนทุกโดยทางอ้อมเท่านั้นเน ไม่ไม่ใช่ทางตรงนะ่ังนั้นเราจึงต้องคำนึงถึงทางํำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงชี้บอกไวนน้การปฏิบัติกายวาจาใจทั้งตนให้ตรงต่อศีลต่อสมาธิต่อปัญญาหรือว่า ทำศีลให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาใจของตนทำสมาธิให้เกิดขึ้นทำปัญญาให้เกิดขึ้นในใจนี่นี่แหละได้ชื่อว่าเราทำทางไปสู่ความพ้นทุกข์ถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็มีการทำบุญถวายทานประกอบเข้าด้วย เพราะผู้ครองเรือนนั่นเป็นผู้ขวนขวายในทรัพสมบัติเป็นผู้สะสมทรัพย์สินเงินทองถ้าไม่ทำบุญทาทานก็จะกลายเป็นคนโลกคนเห็นแก่ตัวคนตนีหวงแหนทรัพสมบัตินั่นก็ค้นทุกไปไม่ได้ถ้าจิตใจไปหวงแหนอยู่ในทรัพสมบัตินั้นไม่รู้จักแบ่งสรรฟันส่วน ใช้ใจให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วสมบัตินั่นแหละเป็นเครื่องทำให้จิตใจคลองอยู่ในโลกนี้นี้จากโลกนี้ไปไม่ได้ดังนั้นพระาศาสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัททำบุญทาทานกันมันก็เป็นประโยชน์ในปัจจุบันนี่แหละไม่ใช่ว่าจะไปคอยจะเป็นประโยชน์ในชาติหน้าอย่างเดียวการทาบุญทาทาน เราก็เห็นกันได้ชัดๆอยู่เพราะว่าอาหารการบริโภคของชาวมณีมันก็เป็นเครื่องต่ออายุให้ยืนยาวนานไปเช่น อ, อย่างได้ให้ทานแก่นักบวชในพุทธศาสนานี่อย่างนี้ก็ทำให้ชีวิตของนักบวชนี่สืบต่อกันไปได้ชั่ววันชั่วคืนไปเพราะนักบวชไม่ได้ทำนาค้าขาย ไม่ได้เสวงหาเงินทองเต้าของอะไรมีชีวิตเป็นอยู่กับผู้อื่นผู้มีศรัทธาทั้งหลายหรือบริจาคมาดังนั้นการที่ทายกทายิกาได้บริจาคทานในพระสงฆ์สามเณรหรือนักบวชที่มาบวชปฏิบัติตนอยู่ในวัดวาสานานนี้จะเป็นเพศเหลืองเพศขาวก็ตาม ก็ได้ชื่อว่าเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนานสืบต่อไปพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นอัคคสาสนุปธรรมภคเดียวว่าเป็นผู้เลิศในการอุปถัมภำรุงวัดวาศาสนาด้วยปัจจัยสีนอกจากการบำรุงด้วยปัจจัยสี่แล้วก็ยังมาประพฤติปฏิบัติทม ยังมาค้นคว้าหาธรรมของจริงอย่างที่กล่าวมานั้นไหวพระภาวนาแล้วมองดูความทุกข์ในชีวิตอันนี้ให้มันเห็นได้ทุกกายเราก็เห็นได้ชัดเจนแล้วนี้ทุกใจทุกใจนี่นับว่าสำคัญมากทำไมใจยังเป็นทุกข์ ใจเป็นทุกข์ก็เพราะเหตุว่าใจไม่รู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงทำไมจึงไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งเพราะอาวิชชาตันหามันครอบงาโยทำให้จิตมันมืดมนอนทการมองดูร่างกายสังขารอันนี้ไม่เห็นเมื่อมันไม่เที่ยงก็ไม่ไม่ไม่ได ดูความไม่เที่ยงของร่างกายนี้เลยปล่อยให้มันเที่ยงไม่เที่ยงไปอยู่อย่างนั้นเมื่อมันเจ็บมันปวดก็มีแต่ร้องโคลนคางไปดิ้นลนกระทับกระสายไปเท่านั้นไม่ได้คิดว่าทำยังไงหนอจึงจะพ้นจากพกเหล่านี้ได้ไม่มีคนไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วไม่รู้จักคิดไม่รู้จักนึกเลยนี่แหละเรียกว่า มันทำให้จิตใจนี้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะเพราะว่าใจนี้เมื่อปัสกาสมาธิปัสจาปัญญาแล้วกิเลสมันก็ครอบงาได้เช่นความรักความชังความหลงความเอ็นผิดเป็นชอบต่างๆหมดนี่นะมันก็ครอบงาได้ไนะนั่นแหละดังนั้นน่ะมันถึงเป็นทุกข์เดือดร้อนนะ เขาไม่รู้ทางออก่ะทีนี้เมื่อผู้มาปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ใช่อื่นไกลอะไรก็คือศีลสมาธิปัญญานี่นะศีลสมาธิปัญญานี่เมื่อผูใ้ใดบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วจะทําให้จิตใจของผู้นั้นเป็นกลางหมายเขาว่าอย่างนั้น ไม่เอียงไปในทางรักไม่เอียงไปข้างชังไม่เอียงไปทางเศร้าโกศกเสียใจไม่เอียงไปในทางแห่งความโกรธความพยาบาทต่างๆหมดนี้นะจึงเรียกว่าผู้ดำเนินตามทางสายกลางทางสายกลางนี่แหละพระพุทธเจ้าตัดสรุปได้เพราะพระ อ, องค์ทำใจของพระ อ, องค์ให้เป็นกลางต่อ สังขารทำทั้งหลายอทั้งที่มีวิญญาณคลองและไม่มีวิญญาณคลองอศีลเป็นเครื่องขจัดความโกรธความพยาบาทออกไปสมาธิเป็นเครื่องขจัดความรักความชังความฟุ้งซ่านล้ำคาญจิตใจต่างๆมานี่ความสงสัยลังเล โมือนี่นะเมื่อทำใจสงบลงไปแล้วกิเลสเหล่านี้มันระ ง, งับลงไปชั่วระยะหนึ่งแต่มันก็ไม่ขาดหรอกแต่มันสงบลงไปมันไม่มารบกวนจิตใจอย่างนั้นปัญญาเป็นเครื่องขจัดความหลงความไม่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงเนี่ยเรียกว่า ขจัดความหลงความเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายอันนี้เป็นสุขสบายดีอะไรโงนี้นะความเห็นผิดคิดว่าตัณหาความทยานอยากโมนี้เป็นเป็นเหตุให้มีความสุขความสบายนี่เดียวว่าเป็นความเห็นผิดนั่นแหละหรือเห็นผิดอย่างดิ่งลงไปกั่านั่นก็ได้แก่การที่มีความเห็นว่าทำบุญ ไม่ได้บุญทํำบาปไม่ได้บาปอผลแหง่งบุญแห่งบาปไม่มีทําก็สักว่าแต่ทําไปอย่างนั้นแหละไม่มีผลอะไรตอบสนองนี่ความเห็นผิดอย่างดิ่งเลยอันเนี้ยเป็นอย่างนั้นความหลงความเห็นผิดต่างๆ่างวันนี้มันจะระ ง, งับได้ก็เพราะอาศัยปัญญาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น เมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันย่อมเห็นเหตุเห็นผลของชีวิตตามเป็นจริง<ม>เห็นกรรมเห็นผลของกรรมได้ในเรื่องของปัญญานะเห็นว่าทําดีได้ดีจริงทําชั่วได้ชั่วจริง<ม>ถ้าปัญญาขั้นละเอียดไปกว่านั้นก็เห็นว่าทุกข์นั้นมีจริงทุกข์จากความเกิดแก่เจ็บตาย อันนี้มันก็เป็นของประจำขันอยู่นี่แล้วทุกนันเกิดจากความเศร้าโศกเสียใจผีไล่ลําพันต่างๆทุกเกิดจากการทัดภากจากของรักของชอบใจทุกเกิดจากการครอบหาสมาคมกับบุคคลอันไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่น่ายินดีต่างๆ สุดท้ายปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์นี่พูดถึงอาการแห่งความทุกข์ของจิตใจอันนี้นะใจที่ไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงนะก็ย่อมได้พบกับความทุกข์ต่างๆเหล่านี้แหละเป็นอย่างนั้นว่าทุกข์รวบยอดจริงๆเกิดจากใจนี่ไปยึดถือขันท่าว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา อันนี้ท่านเรียกว่าทุกรวบยอดอเพราะคนเราไม่เห็นทุกยังว่านี่แหละมันจึงได้คล้องอยู่ในสงสารอันนี้เมื่อไม่เห็นทุกจิตมันก็พอใจอยู่ในโลกนี้เมื่อมีลาบมียศขึ้นมาก็ยินดีพอใจเมาอยู่ในลาบในยศนั้นไม่ได้นึกถึงว่าลาบยสศสรรเสริญต่างๆวันนี้ล้วนจะเป็นของไม่กิรังยั่งยืน มีได้ชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้นึกทบทวนเข้ามาว่าร่างกายอันนี้มันจะทรงลาบและยศอันนี้ไปได้เพียงกี่ปีกี่เดือนไม่ได้คำหนึงเลยอืมนึกว่าตนได้ลาบได้ยศได้รับสันนรริษฐานเยินโยจากคนหมู่มากแล้วก็พึ่มใจอยู่ตลอดเวลาออย่างนั้นไม่นึกว่าตนจะได้พลัดพากจากลาบยศสันเสริญนละความสุขเหล่านั้นไปเลย ไม่ได้ทบทวนดังนั้นคนในโลกอันนี้เนะี่ยมันจึงหนีจากทุกในโลกอันนี้ไปไม่ได้แต่การทุกในโลกนี้คือโลกมนุษย์นี่ก็ยังพอทาเนานะถ้าไปตกทุกอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่เห็นนรกเกรตอสุรกายสติไรฉาน ถ้าไปเกิดอยู่ในกำเนิดที่นี้กำเนิดใดกำเนิดหนึ่งแล้วก็ยิ่งเป็นทุกข์ทนทรมานยิ่งกว่าเกิดมาเป็นคนอยู่ในโลกอันนี้อืมนี่คนทั้งหลายไม่เห็นทุกข์ไม่เชื่อว่าทุกข์ในนรกมีซ้ําเป็นไรคนส่วนมากมันจึงกล้าทําความชั่วกล้าทําบาปได้เป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดมี ความเชื่อในคําสอนของพระเจ้าจริงๆว่าพราะองค์ทรงตรัสว่านรกท่านมีจริงเราก็เชื่อว่ามีจริงเหตุผลยังไงที่มันมีจริงก็เหตุผลเพราะบุคคลทํากรรมชั่วอยู่ในโลกนี่ถ้าโลกอันนี้นะมนุษย์ไม่ทํากรรมชั่วแล้วนรกไม่มีจริงๆนะ่ะฮอนรกนั้นไม่ใช่มันเกิดเองกรรมชั่วของสัตว์ที่ทํา ในโลกมนุษย์นี่ต่างหากนะไปตกแต่งนรกให้สัตว์ทั้งหลายได้ทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นนะนี่พูดตามในไตรโล ก, กวิฐานนะท่านแสดงไว้เป็นปุถชาวิสัสนางว่านรกใครเป็นผู้สร้างให้ตอบว่าไม่มีใครสร้างให้ถ้าเช่นนั้นเกิดมาได้อย่างไรเกิดมาจากกรรมชั่วที่บุคคลกระทำในโลกนี้ เมื่อละโลกนี้ไปแล้วกรรมชั่วนั่นแหละไปแต่งนรกให้ผู้ทาชั่วนั้นได้อยู่อาศัยได้รับทุกข์ทนทรมานนี่แหละโดยเหตุผลแล้วว่านรกมีจริงนั่นน่ะนี่เมื่อพูดไปพูดมาเ็าจงว่ามันไม่พ้นจากกรรมดีกรรมชั่วถ้าคนเราไม่เชื่อกรรมดีกรรมชั่วนี่แล้วเป็นอันว่าปฏิเสธหมดเลยปฏิเสธหมดเลยเรื่องบุญเรื่องบาป เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลายนะมันต้องมันพิจารณาเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่ให้เห็นแจ่มแจ้ง้วยตนเองจริงๆเลยทีเดียวเรื่องเนี่ย ร, รมดีและ ร, รมชั่วสองคำเท่านี้นะขั้นเมื่อลงมือปฏิบัติไปแล้วมันไม่ใช่ว่าอยู่ในขั้นเดียวนะความดีทั้งหลายนี่นะ ความชั่วก็เหมือนกันนะ่ะมันมีเป็นขั้นขั้นไปเลยนะความชั่วมันก็มีอเวจีมหานรกนั่นเป็นที่สุดแห่งความชั่วทั้งหลายวันนี้ความดีเนี่ยก็มีพระนิพพานนั่นเป็นที่สุดแห่งความดีทั้งมวลนี่แหละเพราะนั้นกคำว่าทำดีได้ดีนี่นะ่ะมันก็สุดแล้วตั้งแต่ผู้ที่ทำนะผู้ขยันมันเพียงงานเพียนละ่ะ ทำความดีไปไม่ท้อไม่ถอยมันก็ก้าวไปเรื่อยไปก้าวไปเรื่อยแหละเช่นเริ่มต้นแต่ผู้มีศรัทธาทำบุญบริจาคทานในพุทธศาสนานี่ไปอย่างนี้นะเอา้าเมื่อมีศรัทธาบริจาคทานนี่มันก็ต้องเลื่อมใสในผู้รับทานท่นนี่ก็จึงบริจาคทานได้ถ้าไม่มีความเชื่อเลื่อมใส นับถือผู้บริผู้รับทานนั้นแล้วผู้นั้นจะบริจาคทานไม่ได้เลย mm. เมื่อได้เลื่อมใสในผู้บริจาคทาน mm. ก็เป็นเหตุให้ได้เข้าใกล้บัด น, นี้นะนะนได้สนทนาปราศัยด้วยได้สนิทสนมท่านผู้รับทานนั้นท่านก็พยายามแนะนำสั่งสอนให้ลงมือประพฤติปฏิบัติทมความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับ ผู้ที่มีความเชื่อเรื่อมใสอย่างนั้นเมื่อท่านแนะนำมากดยินดีปฏิบัติตามอย่างนี้แหละเอ้าเมื่อเมื่อยินดีเลื่อมใสในทานแล้วท่านผู้รับทานเห็นว่าทายกทายิกาผู้มีอุปการรักคุณนี้ยังไม่มีศีลท่านก็จะพยายามแนะนําชักจูงให้มีศรัทธาเชื่อในศีลให้ยินดีในการรักษาศีลเข้าไปอืม พอเห็นว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลแล้วแต่ยังไม่ได้ไหวพระไม่ได้มีภาวนาท่านก็จะพยายามแนะนําให้เอไหวพระนั่งสมาธิภาวนานี่ฝึกฝนอบรมจิตใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่นั้นให้สงบระงับลงอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นลําดับลําดับไปอย่างนี้นะนี่เรียกว่า ํำว่าทำดีได้ดีมันก็ได้ดีเป็นขั้นขั้นไปอย่างนี้ถึงขั้นปัญญาแล้วก็สามารถละอาสวะกิเลสอันละเอียดทุกขุมอยู่ในใจนั้นได้เลยถ้าหากว่าปัญญานั้นมันถึงพร้อมนะมันมันแหลมคมจริงๆแล้วนะมันก็สามารถตัดกิเลส อันละเอียดสุขุมที่มักดองอยู่ในจิตใจนั้นให้ขาดออกไปได้เป็นสมุิเฉดถะหันนี่คำว่าทำดีได้ดี ม, มันดีเป็นขั้นขั้นไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าพากันนิ้งนอนใจอย่าไปนึกว่าอืเราทำดีเท่านี้ละพอแล้วไม่ต้องดิ้นลนขวนขวายอะไรให้มากไปกว่านี้ก็ได้แล้วสบายแล้วอย่างนี้ไม่ควรไปคิดอย่างนั้น พูด้ด้ไปคิดอย่างนั้นน่ะเท่ากับเปิดช่องให้กิเลสตัณหากิเลสตัณ ห, หามันจะได้ช่องมันจะพยายามฉุดจิตใจอันนี้ให้ถอยหลังเข้าคลองไปเรื่อยๆเพระพระพุทธเจ้าทรงเปรียบการปฏิบัติธรรมนี่นะเหมือนกับทหารไปสู่ในรบเมื่อรบกับข้าศึก ยึดได้เมืองใดแล้วก็พยายามรักษาเมืองนั้นไว้ให้ได้แต่งกองทหารเจ้าหน้าที่รักษาเมืองนั้นไว้ให้เข้มแข็งอย่าให้ข้าศึกมันมายึดเอาคืนได้รบไปเมืองไหนได้ชัยชนะเมืองไหนเรายึดเอาเมืองนั้นรักษาเมืองนั้นไว้ให้มัน่นคงเอาจนได้ชัยชนะเล็ดขาดลงไปขั้นสุดท้าย อันนี้เปรียบได้การปฏิบัติธรรมหรือการทําความดีในพระพุทธศาสนานี่เมื่อบอคุคคลใดเป็นผู้บําเพ็ญกุศลความดีในขั้นใดให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็พยายามรักษาความดีอ น, นั้นไว้อย่างเช่นว่าผู้มีศรัทธาให้ทานแล้วอย่างนี้นะก็ควรพยายามรักษาศรัทธาความเชื่อในทานนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อม เออ่าผู้มีศรัทธารักษาศีลได้แล้วอย่างนี้พยายามรักษาศรัทธาความเชื่อในศีล น, นั้นให้มันคงไปอย่าให้มันเสื่อมอ่ผู้มีศรัทธาในการไหว้พระฟังธรรมเจริญสมาธิปัญญาอ่าขั้นสูงขึ้นไปแล้วอย่างนี้นะก็พยายามรักษาข้อปฏิบัติเหล่านี้ไว้อย่าให้มันเสื่อม เช่นอย่างว่าเราภาวนาไปใจสงบลงไปแล้วนะมันเกิดอุบายปัญญาอะไรขึ้นม า, าทําให้เราคิดเห็นแจ้งในสังขาร น, นามรูปเห็นแจ้งในบุญในบาปในคุณในโทษอันนั้นได้แล้วอย่างนี้นะแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ให้ได้อย่าให้เสื่อมนี่ เมื่อเรากําหนดที่นาเวลาไหนก็กให้ความรู้ความเห็นนั้นมันแจมกระจ่างขึ้นในใจทันทีเนี่ยเรียกเรียกว่าเรารักษาความรู้ความเห็นอ น, นั้นไว้ไม่ให้เสือ่อมอกลัวว่าบุคคลจะมีความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นในใจมันก็ต้องขจัดกิเลสอันเป็นข่าศึกของสมาธิหรืออันเป็นข่าศึกของปัญญานั้นออกไปก่อน เมื่อกิเลสเหล่านั้นสงบระ ง, งับลงไปแล้วนะมันจึงได้เกิดปัญญาความรู้ความเห็นแจ่มแจ้งขึ้นในใจว่านี่คือทุกข์เราไม่สงสัยเลยทุกข์นี่มีจริงนะนี่ตัณหานี่คือเป็นเีได้เกิดทุกข์จริงเราไม่สงสัยเลยถ้าบุคคลใดยังสร้างทัณหาขึ้นในใจอยู่ก็ซือว่าสร้างกองทุกข์ให้แก่ตัวเองอยู่อย่างนั้นเนะี่ยแล้วก็มาเห็นแจ้งว่า เมื่อมาละตัณหาในลงได้เท่าใดทุ ก, ก็ดับไปเท่านั้นถ้าละตัณหานีนให้หมดสิ้นลงไปทุกทั้งหลายทางทุกทางใจเนี่ยก็หมดสิ้นไปเท่านั้นเลยแล้วก็มาเห็นแจ้งว่าข้อปฏิบัติเป็นทางดับกิเลสตัณหาได้จริงๆเป็นอย่างนั้นนี่แหละเรียกว่าความรู้จริงความเห็นแจ้งในอริยสัจเจธรรมทั้งสี่ เรียกว่าความเห็นอันนี้นะเมื่อเรามีความเห็นล่วงหน้าอย่างนี้แล้วเห็นไม่สงสัยเลยแน่ใจว่าถ้าเราปฏิบัติไปตามนี้เราจะพ้นทุกข์จริงๆอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่ว่าพอเห็นอย่างนี้แล้วมันจะพ้นทุกข์ไปได้ทันทีเลยอย่างนี้ไม่ใช่ต้องมองเห็นล่วงหน้าก่อนมองเห็นทางล่วงหน้าก่อนเหมือนอย่างว่าเราจะไปกรุงเทพอย่างนี้นะ จากหนองคายจะไปกรุงเทพอย่างนี้เอาจะไปทางไหนมันยังจะถึงกรุงเทพเาทางรถไฟก็มีทางรถยนต์ก็มีเครื่องบินก็มี อ, อย่างนี้แหละเมื่อเรารู้จักเรามีกำลังถ้าพระหานะจะไปเครื่องบินได้เอาก็ไปเครื่องบินมันก็ถึงกรุงเทพได้รวดเร็วอุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่มีบุญมากได้สั่งสมบุญกุศลมามากอย่างนี้นะ มีสติปัญญาเฉียบแหลมมากอย่างนี้ก็สามารถที่จะละกิเลสตัณหาอุปาทานในใจนี่ให้หมดไปสิ้นไปได้โดยรวดเร็วเหมือนอย่างผู้มีเงินมากก็ไปซื้อตัวเครื่องบินได้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วทันใจก็ฉันนั้นแหละเอา้าผู้มีบุญน้อย ผู้มีสติปัญญาน้อยเราจะไปเครื่องบินไม่ได้กว่าไปรถยนต์เอาถ้ารถยนต์มันกระถูกกลัวเครื่องบินเปรียบได้กับบุคคลผู้มีบุญวาสนายัางน้อยอยังอ่อนโย่เช่นนี้ก็พยายามไปไม่ท้อไม่ถอยออพยายามบำเพ็ญไปตั้งความเพียรตั้งความอดความทนลงไม่ท้อไม่ถอย แต่ว่าปฏิบัติให้มันถูกทางให้มีโอปะนี่โกให้รู้จักโน้มเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านะั้นเข้ามาสู่ใจของตัวเองให้ได้นี่อะไรอะไรมันก็สำเร็จอยู่ที่ใจทั้งนั้นเลยผู้อินทรีย์อ่อนก็มาพยายามควบคุมจิตตัวเองนี่ให้มันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไปเรื่อยไปแหละ ทำความเชื่อความเลื่อมใสให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆเยชื่อว่าบุญคุณเนี่ยเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงๆนอกจากบุญจากคุณพระรัตนกรยนี้แล้วไม่มีอะไรที่จะมาขจัดทุกข์ภัยในวัฏตสตงสารนี่ไปได้ไ ม, ม่มีคือไม่มี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆอำนาจใดๆในโลกนี้จะมาขจัดกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ออกจา ก, กจิตใจนี้ได้ไม่มีเลยเป็นอย่างนั้นเราต้องพิจารณาให้มันเห็นลงไปแจ่มแจ้งในใจอย่างนั้นคนส่วนมากนั้นมันไม่ได้พิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยลงมาเอ้าใครมาแนะนํำมาให้ไปดูหมอ ให้ไปดูหมอทรงหมอทรรมเขาจะได้พยากรณ์ว่ามันเป็นเพราะอะไรอ้าวผู้ใ ด, ดมาแนะนำมั น, นก็เชื่อแล้วใหรให้คนไปดูหมอดูเมื่อเข้าหาคนทรงเข้าไปเขาก็จะได้ทักทายว่าเป็นกับอย่างนน้น อ, อย่างนี้อะไรต่ออะไรมาก็เลยต้อง ทำไปตามที่เขาแนะนําวุ่นวายไปหมดอืมนั่นแหละคนที่ไม่เห็นแจ้งไม่เห็นอนุภาพของคุณพระรัตนไกรไม่เห็นอนุภาพแห่งบุญแห่งกุศลโดยแจ่มแจ้งด้วยปัญญามันก็โลเลแล้วความเห็นอันนะั้นนะไม่มั่นเลยไม่แน่นอนผู้ใดเห็นแจ้งในบุญในคุณดังกล่าวนี้ด้วยปัญญาแล้วผู้นั้นจักไม่โลเลเลย ใครจะมายุย่างไงใครจะมาออกความเห็นอย่างไรซึ่งมันไม่ตรงกับความเห็นหรือกับความดีความจริงที่เราได้บำเพ็ญมานี่แล้วเราจักไม่ไหวไปตามเลยเอา้าตายก็ตายไปในเมื่อเราเห็นแจ้งประจักด้วยตนเองแล้วนี่เราจักไม่ไหวไปตามคนอื่นเลยสลระชีวิตบูชาความเห็นอันนี้ลงไปนั่น อันนี้หละมันจะทำให้อินทรีย์แก่กล้าขึ้นไปได้ผู้อินทรีย์ยังอ่อนอยู่ก็ดีถ้าว่าไม่ยืนหยัดอยู่อย่างว่านี้แล้วก็ไม่มีทางเลยที่มันจะตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะ ก, ก้าวขึ้นไปสู่คุณธรรมขั้นสูงได้ดังนั้นผู้นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหลาย เมื่อหวังความก้าวหน้าไปสู่คุณธรรมขั้นสูงไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างจริงจังแล้วนะอย่าไปทำใจของตนให้โลเลรักษาความคิดความเห็นที่เราได้กันกองเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความเห็นของตอนนี่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีพิษอย่างนี้เราก็รักษาความคิดความเห็นอันนี้ไว้ให้ได้ ภาวนาลงไปที่ใดก็พิจารณาลงไปจนมันถึงความรู้ความเห็นอันแจ่มแจ้งที่เคยเห็นมาแต่ก่อนนั่นนะแล้วก็จึงหยุดอยู่ลงไปเป็นอย่างนั้นถ้าความรู้ความเห็นอันยังไม่แจ่มแจ้งนี่มันยังมีอะไรมาปิดบังอยู่ก็เอาพยายามเพ่งพินิษพิจารณาไปไม่ทอ้อไม่ถอย อ, อย่างนี้แล้ว มันก็มีทางก้าวหน้าไปได้เหมือนนี่การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เพราะฉะนั้นขอให้พาการเข้าใจว่าพูดถึงความทุกข์อย่างนี้นะมันก็มีเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละทุกข์ถนัดจริงๆก็ได้แก่ทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้น อ, อย่างนี้แหละมานี่ นอกจากทุกในอบายภูมิทั้งสี่นั่นแล้วก็ทุกในการเกิดมาเป็นคนแบบนี้นะนี่นะเกิดมาเป็นคนแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก็มาตกเป็นทาสของกิเลสตัณหามาเป็นทาสแห่งความโลภความโกรธความหลง<ม>เหล่านี้ทำให้กิเลสเหล่านี้มันบันดาลให้บุคคลผู้นั้นทำกรรมมันชั่ว เช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมกล่าวมุสาวาท ด, ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆมูนี้บุคคลผู้ที่ทาชั่วทั้งห้าอย่างนี้โดยไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมต่อเวรอะไรนี่ก็เพราะอำนาจของกิเลสดังกล่ามานั่นแหละมันครอบงำจิตใจ ปิดบังปัญญาไว้เลยไม่ไม่ให้มองเห็นทุกข์ภายในสงสารเลยมันเป็นอย่างงานเรื้ยงมันนะเพราะฉะนั้นนะอันบุคคลผู้ไปหลงเชื่อปรำปราอันไม่มีเหตุผลดังแสดงมาแล้วหมดนั้นนะล้วนแต่เป็นเครื่องถ่วงชีวิตให้จมอยู่ในทุกข์ให้อยู่ในวังวนออกจากวังวนนี้ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้น ผู้ที่จะออกจากวังวนเหล่านี้มันต้องละความเชื่อปรำปราเชื่อมงคลตื่นข่าวเ อ, อต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละเรามาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่เชื่อว่ากรรมชั่วอํานวยผลให้เป็นทุกข์ล้วก็เพียนละกรรมชั่วนี้ไปจนกลัวมันจะหมดสิน้นเชื่อว่าทํากรรมดีทําความดีความดีจากอานวยผลให้เป็นสุขเป็นขั้นเป็นตอนไปจน ถึงซึ่งพระนิพพานนันเป็นที่สุดแห่งความสุขทั้งหลายนี่เราก็พยายามทำความดีให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้แหละจึงได้เรียกว่าเป็นผู้ยืนหยัดอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันถูกต้องดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้